เงียบอย่างรู้ทันถือเป็นความสง่างามชนิดหนึ่งบางครั้งพูดให้ดีที่สุดก็ฉลาดสู้ในเงียบไม่ได้การพูดถึงสิ่งที่รู้เป็นศาร์ที่ต้องฝึกฝนการไม่พูดทุกสิ่งที่รู้เป็นศิละปะที่ต้องฝึกฝนที่พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาก่อนพูดคือพูดแล้วจะได้ประโยชน์อะไร ไม่พูดแล้วจะเกิดโทษอย่างไรหรือในทางกลับกันไม่พูดแล้วจะได้ประโยชน์กว่าไหมเธอพูดแล้วจะเกิดโทษหรือเปล่าเงียบอย่างรู้ทันได้เปรียบทางใจพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญคารวาสที่ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดทางโลกคือรู้ทัน แต่จะปรีปากหรือไม่ปรีปากเท่านั้นถ้ายอมไปเรื่อยก็กลายเป็นคนงอถ้าตาต่อตาฟันต่อฟันทุกกรณีก็กลายเป็นนักเลงที่ถูกคือเรื่องไหนยอมได้ก็ยอมคนที่ยอมเสียเปรียบให้เรื่องจบดูเหมือนไม่ทันเกมชีวิตแต่จริงๆแล้วใจอยู่บนทางชนะในเกมกรรมเสียเปรียบทางกายแต่ได้เปรียบทางใจก็มี ผล น, นี่แหละที่จะทำให้เรายอมอ่อนข้อลดทิฏฐิมานะอัดพูดจานิ่มนวลและรู้จักหยุดเมื่อรู้ตัวว่าอารมณ์เริ่มคู่กรุณมีอยู่แห่งหนึ่งท่านตรัสว่าเงียบอย่างรู้ทันถือเป็นความสง่างามชนิดหนึ่งกับคนบางคนถ้าเขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะรับฟังต่อให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสก็จะเกิดโทษกับเขาอยู่ดี สำหรับ่านบางคนเนี่ยท่านเงียบเลยไม่พูดด้วยเลยวันหนึ่ง่านอาจกลายเป็นบัณฑิตได้แต่ไม่ใช่วันที่จิตใจของเขายังห่อหุ้มหนาแน่นด้วยเมฆหมอกโมหะทึบถึงเท่านั้นประสบการณ์การคุยกับใครจะเป็นตัวบอกเราคร่าวๆว่าอารมณ์ไหนสถานการณ์อย่างไรควรพูดหรือควร น, นิ่ง ไม่ใช่เราต้องพูดทุกครั้งบางครั้งพูดให้ดีที่สุดก็ฉลาดสู้นิ่งเงียบไม่ได้